เสียงอ่านหนังสือเรื่องวินัยพระน่ารู้คู่มือโยมจัดพิมพ์และเผยแพร่โดยวัดเขาสนามชัยตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คำนาหนังสือเรื่องวินัยพระน่ารู้คู่มือโยมเล่มนี้เป็นวินัยของพระ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโยงการจัดทาและพิมพ์ขึ้นนี้สืบเนื่องมาจากวัดเขาสนามชัยเป็นสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปีหนึ่งหนึ่งมีพระพิสุกสามเนนและอุบาสกอุบาสิกามาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากและมีความสนใจวินัยอย่างจริงจัง ได้สอบถามวินัยกับท่านพระอาจารย์มหาบุญชูสุขุมาโรอยู่เสมอท่านพระอาจารย์ก็ชี้แจงทุกครั้งและได้ปรารพกับคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาว่าการตอบปัญหาซ้ำๆน่าจะเปลี่ยนมาเป็นทำรรหนังสือพระวินยัยพื้นฐานที่พระบวชใหม่และญาติโยมควรทราบเป็นธรรมทาน จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อพระพุทธศาสนาในระยะยาวเป็นการเผยแผ่อย่างกว้างขวางมากขึ้นคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาต่างเห็นด้วยและสนับสนุนแนวความคิดนี้ของท่านพระอาจารย์จึงได้ช่วยกัน ร, รวบรวมเรียบเรียงและจัดประชุมทำเรื่องวินัยพระน่ารู้คู่มือโยมต่อมา จึงได้จัดพิมพ์เป็นเล่มขึ้นหนังสือเล่มนี้มีหลายเรื่องเป็นวินัยใกล้ตัวของพระที่ใช้บ่อยมากและมีความเกี่ยวข้องกับอุบาสกอุบาสิกาโดยตรงเช่นเรื่องการประเคนเป็นต้นช่วงที่หนึ่งเป็นการชี้ผิดที่ทำกันอยู่โดยได้กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันรวมทั้งสถานที่และบุคคลที่คณะทำงานได้ประสบพบเห็นเกี่ยวกับการไม่รักษาพระวินัยของพระและอุบาสกอุบาสิกาที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระวินัยช่วงที่สองเป็นการชี้ถูกตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ พร้อมทั้งยกหลักฐานพระบาลีอัตถกถาและดีกาอ้างอิงเพื่อให้เนื้อความสมบูรณ์น่าอ่านมากขึ้นหากว่าหนังสือเล่มนี้มีถ้อยคำสำนวนหรือเรื่องใดไปกระทบกระเทือนถึงจิตใจของท่านผู้ใดขอให้ทราบว่าเป็นเพียงตัวอย่างอ้างอิงเพื่อให้เรื่องดำเนินการผ่านไปเท่านั้นไม่ได้มีเจตนา จะให้ร้ายแก่ท่านผู้ใดหากแต่มุ่งหวังความเจริญงอกงามตั้งมั่นอย่างดีของพระพุทธศาสนาหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือส่งเสริมให้พระรักษาพระวินยัยและเผยแผ่พระวินยัยให้อุบาสกอุบาสิกาได้มีความรู้ความเข้าใจจะได้ช่วยพระพิสุ์รักษาพระวินัยให้ถูกต้อง และสะดวกยิ่งขึ้นคณะทำงานจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้คงเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจแก่ท่านผู้อ่านและผู้สนใจใครรักษาพระวินัยได้ตามสมควรกุศลผลบุญใดอันจะเกิดขึ้นจากหนังสือเล่มนี้คณะทำงานขออุทิศ ให้ผู้มีอุปการะคุณมีบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์เป็นต้นขอขอบคุณทุกท่านและขออนุโมทนาที่มีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหากมีบทหรือข้อความใดขาดตกบกพร่องเพราะความเข้าใจผิดพลาดหรือพังเผลอ คณะทำงานขอน้อมรับคำติติงจากบัณฑิตด้วยความเคารพยิ่งเพื่อปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไปให้สมบูรยิ่งขึ้นคณะทำงานวัดเขาสนามชัยอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วินโยนามะพุทธศาสนะอายุวินเยทิเต พุทธศาสนงทิ ต, งตังโหติพระวินัยเป็นอายุของพระพุทธศาสนาเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่พระพุทธศาสนาก็ชื่อว่ายังดำรงอยู่